เรื่องพราหมณ์5เรื่อง226สมัยนั้นพราหมณ์คนหนึ่งนิมนต์ภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่านิมนต์พระอรหันต์ทั้งหลายมาเถิดเจ้าข้าภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราไม่ใช่พระอรหันต์แต่พราหมณ์นี้เรียกพวกเราว่าพระอรหันต์พวกเราพึงปฏิบัติอย่างไรดีจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูล พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่ต้องอาบัดเพราะเขาเรียกด้วยความเลื่อมใสวงเล็บเรื่องที่24สมัยนั้นพราหมณ์คนหนึ่งนิมนต์พิกษุทั้งหลายมากล่าวว่านิมนต์พระอรหันต์ทั้งหลายนั่งเถิดเจ้าข้าภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราไม่ใช่พระอรหันต์แต่พราหม์เรียกพวกเราว่า พระอาหารหันต์พวกเราพึงปฏิบัติอย่างไรดีจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพร่องตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่ต้องอาบัติเพราะเขาเรียกด้วยความเลื่อมใสวงเล็บเรื่องที่ยี่สห้าสมัยนั้นพราหมณ์คนหนึ่งนิมนต์ภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่านิมนต์พระอาหารหันต์ทั้งหลายฉันเถิดเจ้าข้า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 พวกเธอไม่ต้องอาบัตเพราะเขาเรียกด้วยความเลื่อมใสวงเล็บเรื่องที่27สมัยนั้นพราหมณ์คนหนึ่งนิมนต์ภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่านิมนต์พระอาหาันต์ทั้งหลายกลับเถิดเจ้าข้าภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราไม่ใช่พระอาหารหันต์แต่พราหมณ์เรียกพวกเราว่าพระอาหารหันต์พวกเราพึงปฏิบัติอย่างไรดีจึงนำเรื่องนี้